เกือบตายเพราะว่าอาเจียนปวดท้องถ่ายท้องหลายรอบตอนคิดว่าตัวเองจะตายก็เลยปรงยอมตายใจก็เลยหายทุกข์หายกลัวหลังจากนั้นมีความสุขมากอันนั้นก็เป็นแบบลักษณะตกกรไดพลอยโจรเพราะถูกบังคับให้ทำถ้าไม่มีเหตุบังคับให้ปรงก็ไม่ปลงคนเราบางทีต้องมีเหตุการณ์บังคับเช่นไปอยู่ป่าเจอเสือแล้วยอมปงยอมตาย